ราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระนิมมละเล่าเหตุการณ์ในนครราชครื้ให้พระเรวตะฟังถึงการกระทําของพระเทวทัตและอาชาสตรูกุมารที่วางแผนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชวิดาจนสิ้นชีวิตและพระเทวทัตกําลังหาทางทําร้ายพระพุทธองค์เช่นให้นายขมังธนูมายิงก็ไม่ประสบความสําเร็จ ตนเองกลิ้งหินลงมาหวังใจทับพระพุทธเจ้าหินที่กลิ้งลงมาก็ไม่อาจทำร้ายพระพุทธองค์ให้สิ้นพระชนชีพได้แผนต่อไปก็นำช้างนาราคิรีหมอมเหล้าให้เมาอย่างหนักแล้วปล่อยออกมาในทางที่พระพุทธองค์จะเสด็จนาราคิรีเมามันวิ่งร้องออกมาด้วยความบ้าคลั่งใครขวางหน้าจะต้องได้รับอันตราย ประชาชนต่างตกใจพากันวิ่งหนีโอโลมานเพื่อเอาชีวิตรอดพอนารายคิรีวิ่งมาถึงพระพุทธองค์มันก็ร้องคำรามสุดเสียงชูงวงขึ้นสุดร่างลงหมอบแทบพระบาทของพระพุทธองค์สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้เน้บัดนี้ค่ะ แผนการอันดับที่สซึ่งพระเทวทัตเชื่อว่าจะปลงพระชนนพระผู้มีพระภาคแต่สาเร็จก็คือการปล่อยช้างนาราคีดีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหวังจะให้ปลงพระชนนพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์กำลังเสด็จไปตามถนนในกลุ่งราชคลึเพื่อภิกษาตามปกติเมื่อเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งฝูงชนก็แตกตื่น วิ่งกันโกลาหลโอนามานส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันไปว่าช้างตกมันมาแล้วช้างตกมันมาแล้วต่างคนต่างก็วิ่งหนีเข้าบ้านเข้าเรือนปิดประตูเหลือแต่พระบรมศาสด า, า, าและพระภิกษุยืนอยู่ในถนนในไม่ช้าช้างตัวดุร้ายก็ส่งเสียงแปรปัน้นวิ่งขุ่นตะรบมายืนทะเบียนอยู่ข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ในขณะอันคับขันนั่นเองพระอม์พุทธอุปถากก็ได้ตัดสินใจออกไปยืนวางหน้าช้างเพื่อปกป้องพระบรมศาสดาข้ามกลางความรู้สึกใจหายใจควา่าของพิสุผู้ยังเป็นพลเมชนและบรรดาประชาชนที่จ้องดูเหตุการณ์จากหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้น จะด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระบรมศาสดาหรืออำนาจอะไรก็เหลือที่จะเดาปรากฏว่าช้างตัวดุร้ายนั้นได้ส่งเสียงร้องก้องนาครครั้งหนึ่งและวก็พุง่งลมาจากพรบของพระบรมศาสดายกมวนขึ้นเป็นเชิืองถวายบังคมสิ้นพยศอย่างราบคาบท่านผู้เจริญขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าเองก็อยู่ในแถวของภิกษุ โดยเสด็จพระบรมศาสดานั่นเองเมื่อเห็นช้างนาละคีรีวิ่งตรงมาหาเราครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติสัญชาติยานการหนีภัยเอาชีวิตรอดเกือบทําให้ข้าพเจ้าวิ่งเสี็แล้วแต่เมื่อเห็นพระบรมศาสดาและบรรดาพิสุสงฆ์อยู่ในอาการอันสงบต่อหน้ามรณะภัยข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายใจ พยายามระงับใจให้เป็นปกติมอบความไว้วางใจในพุทธานุภาพแล้วก็ยืนจ้องดูเหตุการณ์ต่อไปด้วยอาการอันสงบเมื่อเห็นเหตุการณ์กลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนมีคนยกเอาภูเขาออกไปจากอกประชาชนจำนวนมากต่างเปิดประตูบ้าน วิ่งออกมาดูเหตุการณ์อันประหลาดมหาสจจานั้นทุกคนต่างออกปากแซ่ซ้องสรรเสริญพระพุทธคุณและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระอนนท์ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระผู้มีพระภาคท่านผู้เจริญมันเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้ไปจนตลอดชีวิต ท่านผู้เจริญพิสุนิมมะเล่าต่อไปการปล่อยช้างนารัคิดีดีเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์เป็นอกุศลกรรมอันหนักชิ้นสุดท้ายที่พระเจ้าอาชาศัตรูและพระเทวทัตร่รวมมือกันกระทำหลังจากเหตุการณ์อนาถระทึกใจนั้นแล้วข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกรุงดุดไฟไม้ป่าประชาชนต่างขันหน้ากันเข้าสุบสิบกันเป็นกลุ่มๆทุกๆคน เลงเล่งไปที่พระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะข่าวการใช้ในายขมังธนูไปยิงพระพุทธองค์และข่าวการกลิ้งศิลาทับพระบรมศาสดาบนภูเขาคิดจกูฏก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในคนบางคนแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนเท่านั้นเองว่าใครเป็นต้นเหตุเมื่อมีการปล่อยช้างนารากิรีอีกทุกคนจยูแน่ใจว่าต้องเป็นพระเทวทัตกับพระเจ้าอาชาศัตรูแน่ๆ เพราะช้างนาลกิรีเป็นช้างหลวงย่อมไม่มีใครบังอาจไปปล่อยออกมาได้นอกจากจะได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นความรู้สึกโกรธแค้นจริงชังต่อพระราชาองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปฝูงชนได้จับกลุ่มกันกล่าววิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเปิดเผยกระสัดหนุ่มรู้สึกไม่สบายพระไทยอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นท่าทีอันไม่น่าไว้วางใจของประชาชนก่อนที่แผ่นดินจะลุกเป็นไฟนั่นเองพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์โดยประกาศเลิกคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตได้มีบัญชาให้ถอนการบำรุงพระเทวทัตด้วยสำรับห้าอนันเสียการกระทําของพระองค์ได้ผลทันตาเหมือนกันคือประชาชนได้ลดกังวิภากวิจารด้วยความโปรดแค้นลง ท่านผู้เจริญฝ่ายพระเทวทัตเมื่อประสบกับความล้มเหลวในการกลมพระชนพระรรมศาสดาและถูกตัดไม้ตีจากพระเจ้าแผ่นดินหมดสิ้นลาภยศแล้วก็ประสบความทุกข์แต่วิสัยผ่านชนย่อมไม่เลิกล้มแผนการชั่วร้ายของตนได้ง่ายๆเมื่อไม่สามารถจเจ้าชนะได้ด้วยการร้ายก็คิดจะเอาชนะใจประชาชนด้วยแผนการดีต่อไป วันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากาลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูนขอวัตถุห้าประการคือขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในป่าตลอดชีวิตหนึ่งอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตหนึ่งเที่ยวบินธบาตเป็นวัดตลอดชีวิตหนึ่งทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตหนึ่ง เว้นจากการฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตหนึ่งท่านผู้เจริญเมื่อได้ฟังข้อเสนอ5ประการของพระเทวทัตแล้วพุทธบริษัททั้งปวงก็ทราบได้ทันทีว่าพระเทวทัตมีเจตนาจะเอาชนะจิตใจของเราชนผู้เริ่มใสในการปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อจะแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนมีเจตนาดีต่อพระศาสนา มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์แต่ทุกคนก็ทราบดีว่านั่นเป็นเพียงแผนการหลอกลวงโลกเพื่อปากเพื่อท้องของตนเท่านั้นเองพระบรมศาสด า, สดาซึ่งทราบเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของพระเทวทัตได้ตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรากถนาผู้นั้นก็จงอยู่ป่าเถิดพระเทวทัตก็ทราบเหมนกันว่า พระผู้มีพระภาคจะไม่สรงคล้อยตามคำของตนและที่ทูลขอก็เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการโฆษณาตนเองและใช้เป็นเครื่องมือในการกล่าวปล้ำปั่มพระพุทธองค์เท่านั้นหลังจากนั้นพระเทวทัตก็เที่ยวโฆษณาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่าคำพูดของผมกับพระผู้มีพระภาคอันไหนจะงามกว่ากัน ผมเสนอวัตถุหประการแก่พระผู้มีพระภ า, าคเพื่อให้พิสุสงฆ์งามพร้อมด้วยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความพ้นทุกข์โดยพลันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเห็นด้วยแสดงว่าพระองค์ยินดีในการปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อความสําราญในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็จงตามผมมาฝ่ายพิสุผู้บวชใหม่ ยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัยดียังไม่เห็นคุณของพระาศาสดาเมื่อได้ยินคำาชักชวนของพระเทวทัตก็เกิดความเลื่อมใสและไปเข้าเป็นพักพวกกับพระเทวทัตเป็นจำนวนประมาณ500รูปฝ่ายพระเทวทัตพร้อมด้วยบริวารก็เที่ยวขอปัจใจจากเหล่าชนผู้เลื่อมใสสิ่งเศร้ามองบริโภคเลี้ยงชีพตลอดมาในเวลาเดียวกัน ก็พยายามทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายแม้จะถูกพระบรมศาสดาห้ามปรามก็หาเชื่อไม่ในที่สุดพระเทวทัตก็ทำลายสงฆ์โดยแยกทำอุโบสถสังกกรรมต่างหากจากพิสูสงและทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองด้วยอากัปกิริยาและลีลาการแสดงธรรมอย่างเดียวกับพระบรมศาสดาหลังจากนั้น ก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารของตนไปสู่ขยาศีสะประเทศทางทิศใต้พระนระครราชกฤตพระบรมศาสดาเมื่อได้ส่งทราบข่าวนั้นก็ส่งส่งพระอักษาวกทั้งสองไปเกลี้ยกล่อมเอาภิกษุใหม่บริวารของพระเทวทัตกลับคืนมาได้บางส่วนหลังจากประทับอยู่นะพระเวรุวันมหาวิหารเป็นเวลาพอสมควรแล้วพระบรมศาสดา ก็เสด็จไปยังนครสาวัตถีส่วนผมไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะเป็นห่วงมารดาผู้ชราซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปแล้วผมจึงอัมลาพระเวรุวานารามกลับคืนสู่บ้านเกิดดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านผู้มีอายุหลังจากพักพร อ, อยู่ที่หมู่บ้านนั้นกับภิกษุนิมมระสองสามลาตรีแล้วข้าพเจ้าก็อัมลาเธอ ออกเดินทางต่อไปจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าคือพระเวรุวานารามเมื่อได้ฟังข่าวร้ายจากภิกษุนิมระแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดเป็นห่วงพระเวรุวันที่ข้าพเจ้าเคยอาศัยมานานเป็นกำลังข้าพเจ้าเองก็รู้สึกมีความผิดอยู่บ้างที่หลงเชื่อขารมของพระเทวทั์และได้ยอมยกพระเวรุวัน ให้อยู่ในความคุ้มครองของท่านจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงดังกล่าวขึ้นข้าพเจ้ามาถึงพระเวรุวานารามได้บ่ายวันหนึ่งและรู้สึกเศร้าใจมากที่ได้เห็นพระอารามอยู่ในสภาพเนียงเหงาวังเวงเพราะพิสุส่วนใหญ่ได้ตามสดิจพระบรมศาสดาไปยังกรุงสาวัตถีเสียแล้วยังเหลือพระพิสุผู้ชราไม่สามารถจเดินทางไกล ได้เพียงไม่กี่องค์ในจนํานวนนี้มีภิกษุแก่องค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่กับข้าพเจ้ามาชื่อว่าธรรมปาระท่านดีใจจนน้าตาไหลที่เห็นข้าพเจ้ากลับมาท่านได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งทําให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้สึกเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังมาแล้วจากพนิมมะลแต่สาระสําคัญ เราะงรอยเยียวกันท่านผู้มีอายุเทวามิตาอุบาสกยังมาสู่พระอารามเป็นปกติอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าอยากจะพบเขาเป็นกําลังพิสุกแก่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเทวามิตาอุบาสกเคยมาอย่างพระอารามหลวงหลายครั้งหลังจากที่ท่านจากไปแล้วแต่เมื่อเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้นในกรุงราชฤกษ์เขาก็หายไปเลย ไม่เห็นมาพระอาลามอีกผมเองก็ไม่ได้ไปบินธบาตผ่านไปทางบ้านของเขาเย่นวันนั้นเองข้าพเจ้าก็เดินทางเข้ากรุงราชฤก์เพื่อจะไปเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกรู้สึกว่าบรรยากาศของกรุงราชฤกษ์เงียบเหงาซบเซาลงกว่าแต่ก่อนมากตามถนนหนทางมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบากตา ม, มากข้าพเจ้ามาถึงครืหตของเทวมิตร เมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ยังไม่มืดเสียทีเดียวเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปข้าพเจ้าพอ ร, รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเพราะแทนที่จะได้พบกับคนในบ้านของเทวมิตรอุบาสกออกมาต้อนรับอย่างเคยกลับได้พบกับทหารยืนถือดาบรักษาการอยู่สองข้างประตูพระคุณเจ้าจะไปไหนหรือทหารคนหนึ่งถามขึ้นด้วยเสียงเง่า อาตมาจะไม่เยี่ยมเทวมิตะอุบาสกข้าพเจ้าตอบไปตามตรงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วถ้าหารคนเดิมตอบจังดูข้าพเจ้าไม่เกิดปีิบตาอ้าวเขาไปอยู่ที่ไหนะะเสียล่ะข้าพเจ้าถามรู้สึกงุนงงไปหมดไม่ทราบและไม่มีใครทราบท่านจะทราบไปทําไมอาตมาไม่ทราบเพราะเพิ่งเดินทางมาจากชนบท เพมาถึงกรุงราชครืดวันนี้เองเรื่องราวเป็นอย่างไรกรุณาเล่าให้ธรรมาภัณด้วยทหารทั้งสองมองดูหนากันอยู่คู่หนึ่งแล้วคนเดิมก็พูดขึ้นว่าท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าเทวมิตะอยู่ที่ไหนถ้าท่านทราบก็กรุณาบอกข้าพระเจ้าด้วยถ้าท่านบอกที่อยู่ของเทวมิตะได้ท่านจะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงามจากพระเจ้าอาชาัตรู มาไม่ทราบจริงๆข้าพเจ้าตอบด้วยความงงงวยยิ่งขึ้นถ้าอาตมารทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาถามหาท่านทำไมกอนิบาตของเขาอาตมาคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่กิ่งได้มาเยี่ยมเขาที่นี่อาตมาก็คงไปพบเขาแล้วอาตมางงไปหมดแล้วกรุณนาเล่าให้อาตมาฟังบ้างว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่รู้จริงๆข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟัง คือเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูส่งแย่งราชสมบัติจากพระชนกแล้วก็มีข้าราชการเก่าๆของพระเจ้าพิมพิสารบางคนรวมทั้งเทวมิตรด้วยพยายามจะต่อต้านกระสับองค์ใหม่และพยายามจะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารออกจากที่กุมขังหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่สําเร็จผู้ก่อการร้ายถูกราชบุรุษจับได้และถูกประหารชีวิตหมดหมายความว่า เทวมิตรอุบาสกถูกประหารชีวิตอย่างนั้ำลึกข้าพเจ้าถามด้วยความตกใจยังดอกท่านสมณะทหารคนหนึ่งตอบพลางหัวเราะพวกที่ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตไปนั้นเป็นแต่เพียงแค่คนชั้นลูกมือเท่านั้นส่วนพวกหัวหน้ายังจับไม่ได้และไม่ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนพวกราช บ, บุรุษของพระเจ้าแผ่นดินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับพวกหัวหน้าให้ได้ แต่เขาไม่สาเร็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศให้รางวัลเป็นเงินถึง 1,000 กะหาพณนะแก่ทุกคนที่สามารถบอกที่ซ่อนตัวของบุคคลชั้นหัวหน้ารวมทั้งเทวมิตรได้ท่านผู้มีอายุ เมื่อได้ยินคําบอกเล่าของทหารข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงคําพูดของพระนิมมละที่ว่าพวกขราชบริพารเก่าของพระเจ้าพิมพ์พิสารเมื่อได้รับสินบนจากพระเจ้าอาชาศัตรูก็หันไปเข้าข้างพระองค์หมดสิน้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะปรากฏว่ายังมีคนหลายคนที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าและกําลังทําการต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่ยอยู่อย่างลับๆในจงห น, นนี้ มีเทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้ารวมอยู่ด้วยข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรและภรยาบุตริดาและข้าทาสบริวารของเทวมิตรเล่าไปไหนหมดข้าพเจ้าถามต่อไปก็เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่นอนว่าเทวมิตรเป็นหัวหน้ากบฏคนหนึ่งพระองค์ก็มีบัญชาให้ริบรั์สมบัติทั้งปวงของเขา รวมทั้งบ้านและที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นพวกกบพเจ้าจึงถูกส่งมาให้เฝ้าบ้านเขาไว้ถ้าเห็นเขากลับมาเมื่อใดก็ให้จับได้ ท, ทันทีส่วนภรรยาและบุตรธิดาของเขาเวลานี้อยู่ในพระราชมทียนพระราชาทรงยึดไว้เป็นตัวประกันส่วนทาตุบริวารฝ่ายชายได้หลบหนีติดตามไปเข้ากับพวกเทวมิตะหมดสิน้นท่านผู้มีอายุ เมื่อเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสืบถามทหารรักษาการต่อไปอีกแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางกลับพระเวรุวันด้วยกิจใจอันหดหู่สภาพอันเงียบเหงาของพระอารามทําให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกคล้ายกับตนเป็นผู้แปลกหน้าอยู่ในถิ่นใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่มาก่อนต้นไผ่ในพระอารามดูเหี่ยวเฉาสงบนิ่งคล้ายผายแห้ง แม่ฝูงกระแตที่เคยวิ่งไล่กันเล่นอย่างล่าเริงบนกิ่งไผ่ก็ดูเบาบางตาลงไปมากข้าพเจ้ามองเห็นกระแตไม่กี่ตัววิ่งเหยาะๆไปตามกิ่งไม้ไผ่อย่างเงื่องหอยภาพแห่งความเศร้าและความเสื่อมโทรมปรากฏอยู่ทั่วไปบรรยากาศอันซึมเศรอ้า ย, อย่างนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่คือคิดที่จะหนีจากพระนค ร, คราชคฤรไปให้ไกลที่สุด ที่จะไกลได้และไม่กลับมาอีกข้าพระเจ้าพักอยู่ที่เวรุวันสองสามเพลาปลุกปอบพิสุกแก่ที่ยังเหลืออยู่ให้ยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ออกเดินทางต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพระเวรุวานารามในยามนี้ต้องตกอยู่ในสภาพเงียบเหงา น่าเศร้าใจอย่างยิ่งพระอารามที่เคยคับขั่งด้วยบริษัททั้งสี่ที่หลั่งไหลาจากทิสานุทิดเพื่อรับอมตะธรรมวารีจากพระพุทธโอดได้กลายเป็นดุดอารามล้างที่ไม่มีใครอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานกุฏิวิหารธรรมศาลาที่เคยสะอาดเอี่ยมบัดนี้ดูหม่นมองรกรุงรังเหลือวิสัยที่พิกษุวัยชราสองสามองค์ที่ยังเหลืออยู่ จะบำรุงรักษาให้ทั่วถึงได้ทางเดินเชื่อมระหว่างกุฏิซึ่งเคยดูน่ารื่นรมภายใต้เงาอันร่มเย็นของกิ่งไผ่ใบหนาบัดนี้ขาดคนดูแลปัดกวาดจึงถูกใบไผ่แห้งและกิ่งไผ่แห้งที่ร่วงหล่นลงมาจากข้างบนปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นข้าพเจ้าเดินสำรวจดูอารามถิ่นที่เคยอยู่ด้วยจิตใจอันหดหู่ ภาพอันศพเซามสของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวทำให้ข้าวเจ้าหวนคิดถึงหลักคำสอนเรื่องอนิจจังของพระบรมศาสดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นเจริญขึ้นเสื่อมโทรมลงแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้นอกจากตัวของความไม่เที่ยงแท้นั่นเองอันพระเวรุวัณ า, ารามนี้เมื่อก่อนก็เป็นเพียงป่าภาั่ ที่สิงสถิตของบรรดากระแตต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยกถวายให้เป็นพระอารามแก่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวรุวันก็กลายเป็นสังฆวาสอันรุ่งเรืองแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จที่วงคตเพราะน้ำมือของพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาโอรสและสังฆมนทนก็แตกแยกซ่านกระเซ็นไปเพราะน้ำมือของพระเทวทัตเช่นนี้ พระเวรุวันารามก็สุดโทรมลงใน ไ, ไม่ช้าก็คงจะกลายเป็นป่าภัยเป็นที่อยู่ของกระแตตามเดิมอย่าว่าแต่เวรุวันารามเลยแม้แต่พระนครราชคฤห์ราชธานีแห่งมกทัตรอันเกลียกลายสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นของอิฐกองดินและป่าระเมาอันเงียบเหงาเย็นวันนั้นข้าพเจ้าเรียกประชุมพระภิกษุผู้ชลาสองสามรูปที่ยังเหลืออยู่ ในพระเวรุวานารามและก็ได้ให้โอวาดว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายชังขาและ ร, รมทั้งหลายย่อมมีอันเสื่อมจิ้นไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นเสื่อมลงและก็ดับไปดูแต่พระเวรุวานารามนี้เถิดสมัยหนึ่งเคยเจริญรุง่งเรืองคับขั้งด้วยพุทธบริษัทเ อ, อบิบอาบซาบซ่านด้วยพุทธธรรมชุ่มเย็นด้วยสันติสุขอบอุ่น อยู่ภายใต้พุทธานุภาพเป็นเหมือนสะบกกรณีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยธรรมวาลีที่สัตว์พูกหิวกระหายจากทิศทั้งสี่ได้มาอาบกินเป็นสุขแต่บัดนี้เป็นอย่างไรเล่าท่านทั้งหลายก็เห็นประจักษ์แล้วด้วยจักสุเดีย๋ยว่าแต่พระเวรุวร า, ารามเลยแม้อัตภาพร่างกายของเราก็นับวันจะเสื่อมโทรมลงสักวันหนึ่งก็คงจะเหลือแต่เท่าฐานถมแผ่นดิน เมื่อเห็นสภาพของพระเวรุวานารามแล้วท่านอาจจะเศร้าโศกเสียใจเหตุที่เสียใจก็เพราะท่านเองไม่อยากจะเห็นพระเวรุวานารามอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเช่นนี้ท่านอยากให้พระเวรุวานารามจะเดินรุร่งเรืองดั่งเดิมเมื่อมันไม่เป็นไปนตามความอยากของท่านท่านจึงเศร้าโศกเสียใจอันความเศร้าโศกเสียใจนี้พระบรมศาสดาของเราก็ตรัสว่าเป็นความทุกข์ เป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากความอยากความปรารถนาของท่านเองไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเป็นปกติธรรมดาเราจะเกิดขึ้นมาในโลกหรือไม่เกิดขึ้นมาในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนกระแสะน้ําในแม่น้ําพระคงคาซึ่งไหลไปสู่สมุทรสาครทางเบื้องบุรพาทิตยอยู่ชั่วนาตาปี ไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้มันหลายย้อนกลับคืนไปทางปัจจิมภิทิตได้ไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้สังขารธรรมทั้งหลายอยู่คงที่ได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจของเราก็อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็เกิดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงชื่อว่าเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเอง ท่านผู้มีอายุทั้งหลายในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เมื่อเราแก้ไขมันไม่ได้เราก็ต้องแค้ไขเราเองเราจะต้องปรับใจของเราให้เข้ากับมันจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งในใจและความทุกข์อย่างทวนกระแสธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะทวนได้จงยอมรับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วท่านก็จะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข อีกประการหนึ่งเมื่อท่านทราบพลังอานิจจังแจมแจ้งแก้ใจแล้วก็อย่าประมาทให้รีบสร้างคุณธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นในตนก่อนจะถึงวาระสุดท้ายความชั่วทางกายว่าจา่าใจอันใดที่ยังเว้นไม่ได้ให้รีบเว้นให้ขาดความดีทางกายวาจาใจอันใดที่ยังไม่ได้กระทําให้รีบเร่งกระทําเสียกิเลสหยาบเหล่าใด ที่ยังเกิดขึ้นในจิตทําให้จิตขุ่นมัวให้กําจัดเสียด้วยสมาธิขี้เล็กละเอียดเหล่าใดยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานให้กําจัดเสียด้วยปัญญาถ้าท่านทั้งหลายทําได้ตามหลักนี้แม้จะยังไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาก็จะอยู่อย่างสงบสุขในปัจจุบันชาติและจะเป็นอุปาเนสัยบา ร, รมีสําหรับพบอื่นๆต่อไป เมื่อให้อววาสแก่เพื่อนสัพพมจารีแล้วข้าพเจ้าก็กล่าวคำอัมลาเพื่อจะออกเดินทางจากพระเวรุวรรณารามในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะออกเดินทางไปพิสุไวชราผู้น่าสงสารเหล่านั้นต่างออกปากวิงวอนขอให้ข้าพเจ้าอยู่ที่พระเวรุวรรณารามต่อไปอีกท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นขออนิมนต์ท่านอยู่โปรด พว ก, กผมก่อนเถิดอย่าได้ทิ้งพวกผมไปเลยพวกผมเป็นพิกษุแก่เพิ่งจะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาไม่นานยังไม่เข้าใจแกมแจ้งในทางปฏิบัติเวลานี้พวกผมก็ไม่มีที่พึ่งที่ใดอีกแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงสง์ก็ได้จากไปสู่นครสาวัตถีแล้วพวกผมเป็นพิกษุแก่ไม่มีกําลังวังชาพอที่จะตามเสด็จไปได้ จึงได้ตกค้างอยู่ที่นี่ได้หวังจะได้ท่านเป็นที่พึ่งแต่ท่านก็จะจากไปสิอีกแล้วพวกผมจะได้ใครเป็นที่พึ่งเล่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวตอบด้วยความเห็นใจ สงสารพิสุกแก่รูปนั้นโดยจริงใจแล้วเมตตาธรรมและกรุณนาธรรมเตือนให้ผมให้อยู่กับท่านอยู่กับพระเวรุวนณารามที่ผมเคยอยู่มานับสิบปีแต่ภารกิจข้างหน้าของผมยังมีอยู่ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและประโยชน์ตนผมยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสสาสะวะหมักผมอยู่ในสันดานที่จะต้องกาจัดเช่นเดียวกับท่าน ผมได้อยู่บริหารพระเวรุวนณารามเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมานานแล้วจนย่างเขาปีที่16จึงรู้สึกว่าสังขารร่างกายก็แก่ลงสุดโทรมลงทุกวันโดยไม่ได้ทำประโยชน์ตนเลยเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายได้โปรดเห็นใจใผมบ้างเถิดขอให้ผมได้เที่ยวจาริกไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามสบายเถิดเมื่อได้มรรคผลพอสมควรแล้ว ผมจะกลับมาอยู่ที่พระเวรุวนารามต่อไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายล้วนแต่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทเฉพาะพระพักพระบรมศาสดาและได้รับพระพุทธโอวาทเบื้องต้นเป็นแนวทางปฏิบัติทุกองแล้วเี่ไหนยังจะคิดพึ่งผู้อื่นอีกเล่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วนั่นแหละคือที่พึ่งของพวกเรา ขอท่านจงปฏิบัติพระธรรมเถิดแล้วพระธรรมจะคุ้มครองท่านพระธรรมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านท่านผู้เจริญภิกษุทชลาอีกรูปหนึ่งกล่าวขึ้นแม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบ ร, รมศาสดาพวกผมก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งดีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพียงไม่กี่ครั้งก็เกิดเหตุร้ายแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ก็เสร็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าท่านผู้เจริญมีความจำเป็นที่จะต้องจากไปผมก็ไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้แต่ก่อนจะไปข อ, อนิมนต์ท่านโปรดประธานโอวาทแนะแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แก่พวกกระผมด้วยเถิด mm hmm. ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้ากล่าวเริ่มต้นให้โอวาทผมเองก็ยังเป็นภิกษุภูตุชนเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายยังมีกิเลสสาวะนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานแม้จะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติก็เป็นการรู้อาศัยปริยัติและสัญญาหาใช่ความรู้อันเกิดจากญาณพิเศษอันเป็นผลแห่งวิชาและวิบุตรหม่ฉะนั้นคาแนะนาของผมก็คงเป็นแบบคนตาบอดจูงคนตาบอด แต่ในฐานะที่อุปสมบทมานานและได้ฟังพระโอวาทจากพระโอ์ของพระบรมศาสดาผมจะขอถวายคําแนะนําในทางปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างย่อๆแต่ก่อนอื่นผมใคร่จะขอซักซ้อมความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนท่านทั้งหลายทราบชัดแล้วมิใช่หรือว่าจุดหมายปลายทางของพระธรรมวินัยนั้นคืออะไรภิกษุไวชาราต่างนั่งนิ่ง มองดูหน้ากันกล้ายกับจะเกี่ยงงอนให้กันและกันตอบครู่ใหญ่ผ่านไปพิสุชรารูปหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญผมเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของพรหมจรรันรก็คือพระนิพพานถูกแล้วท่านผู้มีอายุผมกล่าวรับรองแล้วถามต่อไปว่าแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าพระนิพพานนั้นคืออะไรผมได้ฟังมาว่า พระนิพพานก็คือสภาพที่ดับทุกข์พร้อมด้วยเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงพิสุชาอีกรูปหนึ่งตอบถูกแล้วถูกทีเดียวท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากล่าวเสริมท่านผู้เจริญพิสุรูปที่มีอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆพูดสอดขึ้นผมมีความสงสัยมานานแล้วว่าพระนิพพานมีอยู่จริงๆหรือถ้ามีอยู่จริงอยู่ที่ไหนขออนิมนต์ท่านผู้เจริญ ให้ความกระจ่างแก่ผมด้วยท่านผู้มีอายุความสงสัยของท่านนับว่ามีเหตุควรสงสัยโดยแท้แต่ความสงสัยบางทีก็เป็นทําเครื่องเลื่อนช้าเป็นเหตุให้เกิดความรังเลในการปฏิบัติแต่เมื่อท่านเกิดความสงสัยแล้วผมก็จะพยายามแก้ความสงสัยของท่านเสียก่อนผมขอถามท่านว่านครเวสาลีมีอยู่จริงหรือไม่เอ้ มีสิท่านพูดเจริญภิกษุรูคนั้นตอบท่านรู้ได้อย่างไรว่านครเวสาดีมีอยู่จริงท่านเคยไปเห็นด้วยตาของท่านหรือผมยังไม่เคยเห็นเลยท่านพูดเจริญแต่มีหลายคนที่เขาไปเห็นมาด้วยตาแล้วก็นํามาเล่าให้ผมฟังสมมุติว่าท่านอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่านครเวสาดีมีจริงหรือไม่ที่มีทางใด ที่ท่านจะกระทำได้ไหมท่านผู้มีอายุมีสิท่านผู้เจริญผมอาจจะไปพิสูจน์ได้ทุกเมื่อเพราะนะครเวสาลีก็ยังอยู่ที่เดิมหนทางไปสู่นครเวสาลีก็มีอยู่ผมอาจจะเดินทางไปได้ทุกเมื่อเมื่อได้ไล่เลี้ยงให้คู่สนทนาอยู่ในฐานะอันเหมาะสมแล้วเขาไปเจ้าก็กล่าวขึ้นว่าพระนิพพานก็เช่นเดียวกันกับนครเวสาลีนั่นแหละ ท่านผู้มีอายุแม้ท่านจะยังไปไม่ถึงพระนิพพานแต่ก็มีคนเป็นอันมากที่เดิบรรลุถึงพระนิพพานแล้วด้วยตัวเองและนํามาเล่าให้เราฟังบุคคลที่ถึงพระนิพพานเป็นคนแรกและนํามาเล่าให้เราฟังก็คือพระบรมศาสดาของเรานั่นเองถ้าท่านอยากพิสูจน์ว่าที่ไปถึงพระนิพพานจะมีจริงหรือไม่ท่านก็อาจจะกระทําได้โดยการก้าวเดินไปตามหุนทางอันประเสริฐ ที่เรียกว่าอริยมรรคที่พระพรมศาสดาทรงแสดงไว้แล้วอย่างเปิดเผยแจ่มแจ้งไม่ปิดบังอำพรางอุปมาอุปไมที่ผมยกมาแสดงนี้คงพอจะทําให้ท่านเห็นได้หรื อ, อยังว่าพระนิพพานมีอยู่จริงอ๋อเห็นได้แล้วท่านผู้เจริญพิสุรูปเดิมตอบตามความเป็นจริงนั้นพระนิพพานแปลว่าความดับทุกข์ ความทุกข์เป็นความจริงแห่งชีวิตที่ท่านทั้งหลายเผชิญอยู่ทุกเวลาปัญหาสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านิพพานมีหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าทําอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็คือการดับทุกข์ที่กําลังเผารนเราอยู่เปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกลูกศรนฆ่าศึกนอนเจ็บปวดกรวนกลางอยู่หน้าที่ที่เขาควรจะรีบทำก็คือ การถอนลูกศร อ, ออกแล้วก็รักษาเยวยาบาดแผลให้หายไม่ควรจะไปเสียเวลาสืบสวนดูว่าลูกศร น, นั้นยาวเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ใครยิงมายิงมาจากไหนเป็นต้นฉะนั้นหน้าที่โดยตรงของเราก็คือการดับเพลิงทุกเราจะดับเพลิงทุกได้ด้วยวิธีใดนี่คือปัญหาสำคัญผมจะแสดงแนวทางดับทุกข์แก่ท่านทั้งหลายตามที่ได้สดับมา จากสำนักพระบรมศาสดาและตามแนวทางที่ผมประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดคอยสะดับต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคําว่าอารหันต์อันเป็นนามของท่านผู้ดับทุกข์ได้เด็ดขาดแล้วนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้ไกลจากข้าศึกหรือจะพูดอีกจำนวนหนึ่งก็คือผู้ปราบปรามข้าศึกลงได้อย่างราบคาบประสบชัยชนะแล้วยังเด็ดขาดนั่นเองท่านทั้งหลายทราบไม่ว่าข้าศึกในที่นี้คืออะไรอ๋ข้าศึกในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสาสวะทั้งปวงละสิท่านผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งตอบถูกแล้วท่านผู้มีอายุข้าสึกของเราก็คือกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราต้องการดับทุกข์เราต้องปราบกิเลสเสียก่อนเปรียบเสมือนเราต้องการจะดับเปลวไฟเราก็ต้องกําจัดเชื้อไฟเสียก่อนถ้าเรากําจัดเชื้อไฟได้แล้วเปลวไฟก็จะดับไปเองถ้าเรากําจัดกิเลสได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปเอง แต่การดับไฟกิเลศไม่ได้ทําได้ง่ายๆเหมือนกับการดับไฟหรอกนะท่านผู้มีอายุการดับไฟธรรมดาเราก็ใช้น้ำอย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาไม่นานนักแต่การดับไฟกิเลศต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างและใช้เวลาหลายเดือนหลายปีบางทีก็ใช้เวลาทั้งชาติหรือหลายชาติเพราะไฟแห่งกิเลศดับได้ยากยิ่งนักท่านผู้มีอายุอันฆ่าสึกคือกิเลสนั้น ย่อมคอยทำอันตรายแก่เราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้รับความทุกข์ไม่รู้จักสิ้นสุดข้าศึกคือกิเลสมีลักษณะคล้ายกับข้าศึกภายนอกที่ยกมารุกลานประเทศบ้านเมืองประกอบด้วยไพ่พลมากมายมีการจัดกองทัพเป็นหมวดหมู่มีนายทหารและพลทหารบังคับบัญชากันเป็นลำดับขั้นผมจะอธิบายเปรียบเทียบให้ฟัง เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งจะเริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจอมทัพของกิเลสทั้งปวงลงมาถึงพลทหารใข่เล่าคือจอมทัพกิเลสจอมทัพกิเลสก็คือองค์อวิชชาธิราชผู้มีพระวรากายใหญ่มหือมามีผิวกายดำมะเมียมอยู่ยงคงกรัพันแคลวคลาดจากบรรดาสัตว์ราวุธทุกชนิดสถิตอยู่ในจุดศูนย์กลางแห่งพระบรมมหาราชวังอันมโหราณ เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกิเลสทั้งหมดอันดับสองรองจากองค์อวิชชาธิราชรุมาแนะนําเอาพระบัญชาของพระองค์ออกไปสั่งการแก่ไพ่ผลกิเลสก็คืออัครมหาเสนาบดีสามคนทําหน้าที่ต่างๆกันคืออัครเสนาบดีกามตัญหาทําหน้าที่เลือกสรรวางแผนรักษาบัญชีทรัพย์สมบัติที่จะนําสู่ท้องพระครังหลวง ทรัพ ส, บสมบัติในบัญชีของท่านอัครมหาเสนาบดีมีทุกชนิดเช่นรูปสวยๆงามๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมชวนชวนดมรสอันอร่อยโอชาสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มสรวยเป็นอาทิท่านอัครมหาเสนาบดีไม่ได้ออกหาเองเป็นแต่เพียงเลือกสรรควบคุมสั่งการเท่านั้นอัครมหาเสนาบดีคนที่สองเรียกว่าภวัตตนหา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมรักษาทรัพย์สมบัติทั้งปวงในท้องพระคังอัครมหาเสนาบดีคนที่สเรียกว่าวิภวตันหาทําหน้าที่กําจัดทรัพย์สมบัติไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปจากท้องพระคังท่านอัครมหาเสนาบดีทั้งส ม, มีเสนาบดีรับใช้อยู่สี่คนคือการบุปาทานทําหน้าที่ในการรักษากุญแจท้องพระคังมหาสมบัติทิ่ถุกปาทาน ทำหน้าที่ในการรักษาห้องสมุดหลวงอันเป็นที่เก็บตำราเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพระนครศิลพัตตุปาทานเป็นเสนาบดีฝ่ายพิธีกรรมมีหน้าที่ในการรักษาและประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระราชอาณาจักรอัตตวาทุปาทานเป็นเสนาบดีฝ่ายรักษาความมั่นคงของพระราชอาณาเขตท่านผู้มีอายุทั้งหลายอัครมหาเสนาบดีทั้งสาม และเสนาบดีทั้งสี่นี้เป็นนักบริหารชั้นสูงปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกันขององค์อวิชชาธิราชทุกประการเป็นที่ไว้วางใจใกล้คิดของพระองค์ครองจากบุคคลชั้นนำทั้งเจ็ดนี้ลงไปมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดังผมจะบรรยายต่อไป หั้าสคนที่คอยรับสั่งจากเสนาบดีหรืออัครมหาเสนาบดีไปปฏิบัติคนที่หนึ่งคือโลภะโดยมากรับคําสั่งจากกรรมตันหาอัครนาเสนาบดีไปปฏิบัติคือเมื่อกรรมฐันหาทราบว่ามีทรัพย์สมบัติที่ใดควรจะนําเข้าสู่ท้องพระังท่านก็จะสั่งการให้โลภะไปสํารวจดูทรัพย์สมบัตินั้นอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าท่านพอใจท่านก็จะสั่งอภิชาซึ่งเป็นนายทหารชั้นลองลงมาไปวางแผนอย่างละเอียดในการที่จะยึดเอาทรัพย์สุบัตินั้นต่อจากนั้นโลภะก็จะสั่งให้พลทหารสองคนคือกายทวานและวจีทวานเข้าไปจัดการนําทรัพย์นั้นเข้าสู่ท้องพระคลังต่อไปนายทหารชั้นหัวหน้าคนที่สองมีชื่อว่าโทสัมมีหน้าที่ทําตามคําสั่ง ของอัครมหาเสนาบดีภวัตันหาและวิภวัตันหาอีกทีหนึ่งกล่าวคือเมื่อวิภวัตันหาต้องการจะกำจัดทำลายสิ่งใดก็สั่งให้โทสะไปสำรวจดูสิ่งนั้นเมื่อเห็นว่าจะต้องทำลายแน่โทสะก็จะสั่งให้พยาบาทวางแผนและสั่งพลทหารกายทวารและวจีทวารลงมือทำลายต่อไปนายทหารชั้นหัวหน้าคนที่สาม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 เมื่อเกิดความเห็นผิดแล้วเขาก็สั่งให้พลทหารกายทวานพลทหารวจีทวานลงมือปฏิบัติการตามที่เขาปรารถนาต่อไปท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมองค์อวิชชาธิราช จ, จึงต้องมีนายทหารชั้นโมหะไว้หลอกลวงประชาชนของตนเองก็เพราะว่าการหลอกลวงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ขององค์อวิชชาธิราชเอง เพาะเมื่อคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะเห็นความสําคัญของพระองค์เองเคารพและต่อสู้เพื่อความคงอยู่ของพระองค์ทั้งๆที่ความจริงแล้วองค์อวิชาที่ราชเป็นกระสับที่ชั่วร้ายที่สุดไม่เหมาะสมแก่ตําแหน่งอันสูงส่งนั้นเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องราวของกองทัพข้าศึกคือกิเลส มีนัยยะดังที่ผมพลฒนามา น, นี้ถ้าเราฟังดูอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่ากล่องทับข่าศึกอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมอยู่ภายนอกตัวเราแต่ความจริงนั้นมันก็อยู่ในตัวเรานี้เองมันทำตามหน้าที่อย่างแข็งขันก่อความทุกข์ยากลาบากนานาประการให้แก่ตัวเราตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้สึกตัวเพราะถูกโมหะอันเป็นลูกมือของจอมทัพอวิชชาหลอกลวง ไม่ให้เห็นผิดคือเห็นไปว่ากองทัพกิเลสเป็นสิ่งธรรมดาเป็นต้นเราเองเราจึงตกเป็นทาสของอวิชชามาตลอดกับตลอดกันมิได้คิดที่จะประกาศอิสรภาพโค่นบาลังของทรดาชอวิชชาพระบรมศาสดาของชาวเราเป็นศาสดาพระองค์แรกที่ส่งทราบความจริงส่งลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพอันเกลียงไกลของอวิชชา จนสามารถค้นทอราชนั้นลงจากบัลลังก์แล้วประกาศพระองค์งเองเป็นอิสระจากกิเลสและทุกทั้งมวลในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกเราจะต้องเจริญรอยตามพระองค์การที่เราได้เสียสละคารวาะวิสัยออกสู่พรหมจรรย์ น, นี้ก็แสดงว่าเราได้ประกาศตนเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อต่อสู้กับกองทัพข่าสึกคือกิเลส ด, ดังกล่าวนี้ ฉะนั้นผมจะแนะวิธีการต่อสู้กับกองทัพกิเลสอันแข็งแกร่งนี้เป็นขั้นๆไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายนายทัพผู้ฉลาด เมื่อจะเข้าโจมตีอาลีราชสัตรูเขาจะต้องโจมตีไปทีละขัน้นตั้งแต่ขามนิคมชนบทชายพระนาเขตเข้าสู่หัวเมืองชั้นในในที่สุดก็จู่โจมเข้ายึดนครหลวงบุกพระราชวังจับเอาพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นเฉลยหรือกำจัดเสียการโจมตีกองทัพกีเรศก็ปฏิบัติไปในแบบเดียวกันก่อนอื่นท่านทั้งหลายต้องจับพลทหารคือกายทวาน และวจีทวารให้ได้เสียก่อนเมื่อจับได้แล้วก็นำไปผูกมัดไว้อย่างมั่นคงอย่าให้เขากระทำตามคำสั่งของเจ้านายได้เราจะจับพนทหารทั้งสองประเภทมัดไว้ได้อย่างไรเราต้องจับมัดไว้ด้วยศีลศีลนั่นก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจานั่นเองการรักษาศีลก็เท่ากับการผูกมัดกายวาจาไว้ไม่ให้ไปกระทำความชั่ว ตามคําสั่งของกิเลส ช, ชั้นสูงขึ้นไปได้เมื่อจับกายวาจามัดไว้ได้แล้วความทุกข์อันเป็นผลแห่งการกระทําชั่วทางกายและวาจาก็ไม่มีชื่อว่าเราดับทุกข์ชั้นหนึ่งแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายขั้นต่อไปเราจะต้องจัดการกับนายทหารทั้งสองคือโลภะโทสะโมหะและลูกมือของเขาทั้งสามคืออภิชาพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิทหารทั้งหกคนนี้มีความแก่กล้าสามารถแข็งแรงว่องไวเฉลียวฉลาดยากแก่การกำจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องใช้อาวุธหลายๆอย่างพร้อมกันอาวุธสำหรับปราบกิเลสทั้งหมีดังต่อไปนี้คือเราจะต้องทำความดีทุกๆอย่างเท่าที่จะทำได้การทำความดีก็เท่ากับเป็นการบำรุงกำลังใจฝ่ายเรา เพราะความดีก็คืออาหารอันประเสริฐของจิตใจประการที่สองเราจะต้องสำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งสติเป็นยามรักษาการไว้ที่ประตูทั้ง6ช่องนี้เมื่อตาเห็นรูปเราให้กำหนดรู้เพียงว่ารูปเท่านั้นแล้วกำจัดออกไปเสียอย่าให้ทหารทั้ง6ออกไปพิจารณาสอบสวนได้ทันการ อย่าถือโดยนิมิตว่าเป็นรูปอะไรอย่าถือโดยอนุพยัญชนะคือเพ่งพิจารณารายละเอียดปีกย่อยต่างๆเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้ดมกลิ่นเมื่อลิ้นได้ลิ้มรสเมื่อกายถูกต้องสัมผัสและเมื่อมโนภาพเกิดขึ้นในใจก็ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทําได้อย่างนี้ก็เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้ทหารคือกิเลสทั้ง6กกระทำการได้ตามชอบใจนั่นเอง เมื่อสำรวมอินรีดีแล้วต้องมีโภชนมตัญยุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและต้องมีชากิยานุโยคะคือประกอบในความเป็นผู้ตื่นอยู่อย่ามัวเพลิดเพลินในการหลับนอนพูดง่ายๆว่ากินมากนอนมากเพราะการกินมากนอนมากเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ทาหารทั้ง6การกินน้อยนอนน้อยก็เท่ากับเป็นการตัดกาลังของทหารกิเลสทั้ง6 ถ้าทำได้ครบทั้งสอย่างนี้ก็เท่ากับกำจัดทหารกิเลสทั้งหให้อ่อนกำลังลงและหมดสิ้นไปในที่สุดเมื่อกำจัดได้แล้วทุกที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสทั้งหกนี้ก็ไม่มีเป็นอันดับทุกชั้นกลางได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้เราก็ามาถึงกิเลสชั้นสำคัญเจดตัวคืออัครมหาเสนาบดีทั้งสและเสนาบดีทั้งสี่กิเลสชั้นหัวหน้า ทั้งเจ็ดนี้เราอาจจะกำจัดได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นทําสติสัมปชัญญะให้มีกำลังสูงมีความเพียรเด็ดเดี่ยวจเจริญวิปัสสนาจนได้ญาณพิเศษรู้แจ้งเห็นจริงในดังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนถาวรมั่นคงแล้ว ตัณหาและอุปาทานก็จะอ่อนกําลังลงและหมดสิ้นไปเมื่อตัณหาอุปาทานหมดสิ้นไปทุกทั้งหลายที่จะพึงเกิดจากตัณหาและอุปาทานก็ดับไปเป็นอันว่าเราดับทุกขั้นละเอียดได้แล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ยังเหลือแต่องค์อวิชชาที่ราชองค์เดียวอยู่ในพระราชวังปราศจากผลพลักที่จะคุ้มคองป้องกัน อันพระราชาทิบดีทั้งหลายนั้นถ้าขาเสียซึ่งกองทัพก็เท่ากับคนที่ปราศจากแขนและขาไม่มีอำนาจวาสนาอีกต่อไปอวิชชาที่ปราศจากผลพักคือกิเลสต่างๆสนับสนุนก็ไร้ความหมายอาวุธสำคัญสำหรับปราบองค์อวิชชาที่ราชก็คือวิปัสสนาญาณคือวิชาความรู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงอันเป็นผลแห่งการเจริญยาม น, นั่นเอง เมื่ออวิชชาดับก็ชื่อว่าดับต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ต่อจากนั้นพระโยคาวาจรก็บรรลุถึงพระนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือทางไปสู่พระนิพพานที่พระบรมศาสดาของเราทรงแสดงไว้แจ่มแจ้งเปิดเผยทำให้ผู้สงสัยทุกคนพิสูจน์ได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการถึงพระนิพพานก็จงดาเนินตามทางนั้นด้วยอุตสาหะ วิริยาภาพแม้ผมเองก็กำลังเดินตามทางนั้นอยู่ในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งพรหมจรรย์สมความปรารถนาทุกท่านโอวาทของข้าพเจ้าจบลงเมื่อเวลาดึกสงัดแล้วต่อจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปบำเพ็ญเพียรและพักผ่อนตามกุติที่อยู่ของตน ดูก่อนท่านผู้เจริญเช้าวันลุ่งขึ้นข้าพเจ้าข้อส่งจีวรสะพายบาทเข้าไปยังกรุงราชคลึเพื่อบินธบาตตั้งใจว่าเมื่อได้พัฒหารพอสมควรแล้วก็จะออกไปทําพัฒกิจหนะ้าที่ใดที่หนึ่งข้างนอกเมืองเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปตามปรารถนาแต่ความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่สําเร็จเพราะขณะที่เดินบินธบาตไปตามถนนนั้นเอง ได้ไปพบกับธรรมมิกะอุบาสกซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเขาได้นิมนต์ข้าพเจ้าให้เข้าไปฉันพัฒตรารในฤาษีหาดและได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านผู้เจริญเขากล่าวขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากำลังฉันพัฒตรารข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพระเวรุวณารามในกลุ่มราชครึข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยฝันเลย ว่าพระเทวทัตซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระญาติของพระบรมศาสดาจะกล้ากระทํากรรมอันหยาบช้าเช่นการทําลายพระสงฆ์เป็นต้นและไม่เคยฝันว่าพระเจ้าอาชาศัตรูจะกล้าทําปิตุขาตตรงพระชนพระบิดาบังเกิดกล้าวของตนได้ลงคอข้าพเจ้าคิดว่าเหตุร้ายทั้งสองนี้คงจะเป็นลางร้ายแสดงว่าความหายนะกําลังคืบคลานเข้ามาสู่มกทรัฐ ธํามิกาอุบาสกกล่าวพางสันสิสัอย่างอ่อน อ, อกอ่อนใจ